วัตตะขันทกะหนึ่งอาคันตุกะวัตตะกะถาว่าด้วยวัดปฏิบัติของภิกษุผู้จรมา สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถบินฑิกะขะหาหบดีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุอคันตุ ก, กะสวมรองเท้าเข้าสู่อารามบ้างกั้นร่มเข้าสู่อารามบ้างคลุมศีรษะเข้าสู่อารามบ้างผ้าจีวรบนศีสระเข้าสู่อารามบ้างใช้น้ําดื่มล้างเท้าบ้าง ไม่ยอมไหว้ภิกษุผู้อยู่ประจำในอาวาสผู้แก่พรรษากว่าบ้างไม่ถามถึงเสนาสนะบ้างภิกษุอาคันตุกะรูปหนึ่งถอดลิ่มวิหารที่ไม่มีคนอยู่แล้วผลักบานประตูเข้าไปอย่างรวดเร็วงูตกจากเบื้องบนลงมาที่คอของภิกษุนั้นท่านตกใจกลัวร้องขึ้นสุดเสียง ภิกษุทั้งหลายรีบเข้าไปถามภิกษุนั้นดังนี้ว่าท่านท่านร้องทำไมภิกษุนั้นจึงบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษพากันตำหนิประนามโพนทนาว่าชไหนภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายจึงสวมรองเท้าเข้าสู่อารามบ้างกั้นร่มเข้าสู่อารามบ้าง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 พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายสวมรองเท้าเข้าสู่อารามบ้างก้นร่มเข้าสู่อารามบ้างคลุมศรีรษะเข้าสู่อารามบ้างผ้าจีวรบนศรีรษะเข้าสู่อารามบ้างใช้น้ำดื่มล้างเท้าบ้างไม่ยอมไหวภิกษุ ผู้อยู่ประจำในอาวาตผู้แก่พรรษากว่าบ้างไม่ถามถึงเสนาสนะบ้างจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะไหนภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายจึงสวมรองเท้าเข้าสู่อารามบ้าง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 ภิกษุอาคันตุกะคิดว่าเราจะเข้าไปสู่อารามเดี๋ยวนี้พึงถอดรองเท้าเคาะแล้วถือไปอย่างระมัดระวังลดร่มเปิดศีรษะลดจีวรบนศีรษะลงบนบาไม่ต้องรีบร้อนเข้าสู่อารามตามปกติเมื่อเข้าสู่อารามก็พึงสังเกตว่าภิกษุผู้อยู่ประจําในอาวะา ท, ทั้งหลายประชุมกันที่ไหน พึงไปที่ที่ภิกษุผู้อยู่ประจําในอาวาสประชุมกันไม่ว่าจะเป็นโรงฉันมนตดบหรือโขนไม้แล้วเก็บบาทไว้หนที่สมควรเก็บจีวรไว้หน้าที่สมควรจองอาสนะที่เหมาะสมแล้วนั่งถามถึงน้ําดื่มน้ําใช้ว่าอย่างไหนน้ําดื่มอย่างไหนน้ําใช้ถ้าต้องการน้ําดื่มก็ตักมาดื่ม ถ้าต้องการน yeah. ้ำใช้ก็ตักมาล้างเท้าเมื่อจะล้างเท้าควรใช้มือข้างหนึ่งรดน้ำมืออีกข้างหนึ่งล้างเท้าไม่พึงใช้มือข้างที่รดน้ำล้างเท้าถามถึงผ้าเช็ดรองเท้าแล้วเช็ดรองเท้าเมื่อจะเช็ดรองเท้าพึงใช้ผ้าแห้งเช็ดก่อนใช้ผ้าเปียกเช็ดทีหลังพึงซักผ้าเช็ดรองเท้า บิดแล้วพึ่งไว้ณที่สมควรถ้าภิกษุผู้อยู่ประจำในอาวาาแก่พันษาพึงอภิวาสถ้าเป็นพระนวกะพึงให้ท่านอภิวาสถามถึงเสนาสนะว่าผมได้เสนาสนะแห่งไหนถามถึงเสนาสนะที่มีภิกษุหรือที่ไม่มีภิกษุอยู่ถามถึงโคจรคาม และอะโครจรคามถามถึงตระกูลที่เป็นเสขะสมมุติถามถึงวัจจกูดีถามถึงน้ำดื่มและน้ำใช้ถามถึงไม้เท้าถามถึงกติกาสงที่ตั้งไว้ว่าควรเข้าเวลาไหนควรออกเวลาไหนถ้าวิหารไม่มีภิกษุอยู่ก็พึงเคาะประตูรอสักครู่หนึ่งแล้วถอดลิ่ม หลักบานประตูยืนอยู่ข้างนอกมองดูให้ทั่วถ้าวิหารรกมีเตียงวางซ้อนเตียงหรือตัางวางซ้อนตัางเศนาสนะมีละอองจับเบื้องบนถ้าสามารถก็พึงชำระให้สะอาดเมื่อจะชำระวิหารให้สะอาดพึงขนเครื่องลาดพื้นออกไปวางไว้ณที่สมควร เขียงรองเตียงฟูกหมอนผ้ารองนั่งและผ้าปูนอนพึงขนออกไปไวน้าที่สมควรเตียงต่งพึงยกอย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดไม่ให้กระทบบานประตูและกรอบประตูขนออกไปตั้งไวน้าที่สมควรเขียงรองเตียงกระโถนพนักพิง พึงขนออกมาวางไว้ณที่สมควรพรมปูพื้นพึงสังเกตที่ปูไว้เดิมค่อยขนออกมาวางณที่สมควรถ้าในวิหารมีอยากเยื่อพึงกวาดเพดานลงมาก่อนกรอบหน้าต่างและมุมห้องพึงเช็ดถ้าฝาที่ฝาสีเหลืองหรือพื้นทาสีดาขึ้นราพึงใช้ผ้าชุบน้ำบิด แล้วเช็ดถ้าเป็นพื้นไม้ได้ทาพึงใช้น้ำประพรมแล้วเช็ดอย่าให้วิหารคลาคล่ำด้วยฝุ่นละอองพึงเก็บหยากเยื่อไปทิ้งหน้าที่สมควรเตียงตั่งพรมปูพื้นพึงพึงแดดชํำระตบขนกลับปูไว้ตามเดิมเขียงรองเตียงพึงพึงแดดเช็ด ขนกลับไว้ตามเดิมเตียงตั้งพึงพึงแดดชําระปัดยกอย่างระมัดระวังไม่ให้ครูดไม่ให้กระทบบานประตูและกรอบประตูขนกลับตั้งไว้ตามเดิมฟูกหมอนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนพึ ง, พ, งพึงแดดชําระตบขนกลับวางปูไว้ตามเดิม กระโถนพนักพิง พ, งพึงพึงแดดเช็ดถูขนกลับไว้ตามเดิมพึงเก็บบาทและจีวรเมื่อจะเก็บบาทพึงใช้มือข้างหนึ่งถือบาทใช้มือข้างหนึ่งคลาใต้เตียงหรือใต้ตังจึงเก็บบาทไม่พึงเก็บบาทไว้บนพื้นที่ไม่มีสิ่งใดรองเมื่อจะเก็บจีวร พึงใช้มือข้างหนึ่งถือจีวรใช้มือข้างหนึ่งลูบปราวจีวรหรือสายระเดียงเอาชายไว้นอกเอาขนดไว้ในจึงเก็บจีวรถ้าลมเจอฝุ่นละอองพัดมาทางทิศตะวันออกพึงปิดหน้าต่างด้านตะวันออกถ้าพัดมาทางทิศตะวันตกพึงปิดหน้าต่างด้านตะวันตก ถ้าพัดมาทางทิศเหนือพึงปิดหน้าต่างด้านเหนือถ้าพัดมาทางทิศใต้พึงปิดหน้าต่างด้านใต้ถ้าเป็นฤดูหนาวพึงเปิดหน้าต่างกลางวันปิดกลางคืนถ้าเป็นฤดูร้อนพึงปิดหน้าต่างกลางวันเปิดกลางคื น, ถ, น, น, น, ค น, คคนถ้าบริเวณซุม้มโรงฉันโรงไฟวัชกูดี รกพึงปัดกวาดถ้าน้ําฉันน้ําใช้ไม่มีพึงจัดเตรียมไว้ถ้าหม้อชาระไม่มีน้ําพึงตักน้ําใส่หม้อชําระภิกษุทั้งหลายนี่คือวัดของภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายโดยที่ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายจะต้องประพฤติชอบ